ถ้าถ้าดูอ่านทั้งหลายหนังสือนี้ตามปกติเป็นหนังสือ เป็นพระราชพรมยานความ 2532 เห็น 10 ถึง 12 ก็ไม่ทราบจําไม่ได้นัก แจ้งให้ทราบตอนเช้าขณะ เวลานี้หลวงพ่อจะได้เลื่อนธรรมราษฎร์เป็นฉันราชคืนลม <c oughs> ท่านก็แจ้งให้ทราบ 10 12 เดือนธันวาคมให้ทราบพฤติกายนต์มีท่านเจ้า แต่การรับโทรศัพท์ครั้งแรกท่านมหาดำบอกว่าบังเอิญติดธุระไป พระมหาดำถามความเป็นมาว่าวัดธรรมวัดสเกตให้นิมนต์ให้ไปพบเรื่องอะไรทางวัจนะ ท่านเจ้าคุณท่านก็บอกว่าเรื่องเลื่อนสมณศักดิ์ <c oughs> ถือว่าเป็นความ เรื่องนี้ต่อก่อนคือการเรื่องสมณศักดิ์นี้จริงๆแล้ว คำบรรยายพิเศษในคืนนี้มิตรถ้าเรื่องนี้มิตรที่ของก็ไปก่อนข้อพูด เพราะท่านมีความเมตตาปราณีเพราะท่านสมัยมีวัดท่าทรงใหม่ๆเวลานั้นท่านยังเป็นพระราชาคณะรองสมเด็จยังไม่ใช่สมเด็จกับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภัฏธิการามอีกองค์หนึ่งถ้าองค์นี้ถ้าถ้าจําไม่ผิด ก็จําไม่ได้ก็ลงความว่าทั้ง 2 องค์นี้เป็นพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จเหมือนกันท่านมีความเมตตากรุณาให้กําลังใจในการบริหาร สายธกำลังใจมีความเคารพในพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าก็คิดว่าวัดนี้มีสภาพเหมือนวัดร้าง 2 หลังก็ฝาโปร่งและคาโปร่ง แต่ในเมื่อ ตระกูลสมเด็จทั้ง 2 เสกเมตตามาในงานทุกครั้งให้กำลังใจทุกอย่างต่อมาภายหลังนี้วันที่จะรับสมณศักดิ์ก็ อาตมาก็รู้สึกขอบพระท่านเพราะว่าก็รู้สึกมีความปลื้มใจเป็นพิเศษที่ มีการให้การเลี้ยงดูหูเสือมั้ยเพราะมีอะไรสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยละผัด <c oughs> คิดไม่ถึงที่ว่าคุณสมเด็จจะมีความ ก็ยังไม่ทราบ 2,000 คือจะ 2,000 องค์หรือ 2,000 ชุดพระมหาดำบอกว่า 2,000 ไม่พอทางวัด ค่า 2,000 ชิ้นแต่ 10 บาทก็ 10 บาทไม่มีอะไรทอดผ้า เป็นเหตุให้ลูกหลานญาติโยม จะมี 2,000 ชิ้นแต่ 2,000 ชิ้นไม่พอวัดท่าสงทอดประปาบรรดาลูกหลานทุกคนทุน บางคนก็จะทําเล็กๆน้อยๆถือว่าพุ่มหนึ่ง <c oughs> สำหรับหลวงพ่อสมเด็จพุฒาโคศาจารย์ถ้าได้เกินกว่านั้นก็จะสร้างร่วมสร้างโรงเรียนกับท่านเงินทําบุญวันนั้นทั้งหมดทุกคนตัดสินใจ <c oughs> ก็ถวายวัดนั้นหมดเห็นเป็นอย่างนี้มาทุกวัดแล้วก็วัดสามพยา การสร้างโรงเรียนของท่านเนี่ยเป็นโรงเรียนสาธารณสงเคราะห์จริงๆไม่เก็บเงินไม่เก็บท่องพระ แต่ๆติดตามสักครั้งนึงก็ดูว่าจะพบ แต่ว่าวันนั้นเค้าจะถวายพระโสเทียนตัวองค์และเท่าไหร่อาตมาไม่ทราบเค้าจัดใส่ซองมาถวายแล้วพระธิโกพระดอกไม้ ทุกThing เค้าจัดกันหมดเวลาอาตมาก็ไม่รู้เค้าใส่ซองมาให้ก็ใส่ซองต่อไปเค้าเขียนมา เขาเขียนว่าอันนี้ถวายใครก็ถวาย <c oughs> 200 คน <c oughs> กว่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯคนบ้านนอกก็เข้าไปยากประธานที่ เป็นเอาไว้ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่หลวงพ่อ เฉพาะทุนบัตรจริงๆได้ 221,600 บาทก็ถวายหลวงพ่อสมเด็จวัยแต่ท่านก็ประกาศวันเงินทั้งหมดนี้จะประมาณ 50% เสร็จๆแต่เส ก่อนทรานสเฟอร์ตอนที่จะจะจบกิจการติดประตูติดหน้าต่าง นึกว่าคอยกันต่อไปเขาอยากจะทราบการ ก็พอดีเจ้าพระคุณท่านเจ้าคุณพมกุนาภรเจ้าอาวาสวัดสเกตองค์นี้เป็นพระ เสด็จเดินร่วยมาทักมาตลอดพระองค์ยกมือไหว้ด้วย เป็นได้คอยรับพัดเมื่อถึงเวลาพระพระสงฆ์สวดมนต์เสร็จก็ทรงแจกพัดกับพระถวายพัดกับพระวันนั้นมี <c oughs> พอกว่า เข้ามาที่หมู่วัดสมัยาเมื่อพระสวดเยียนก็พูดภาษาไทยๆการสวดเยียนโตวัน ว่าสวดเสร็จก็ถวายของต่างๆ แล้วก็ท่านเจ้าคุณศรีปริยัตถบดีวัดสามพยาเป็นแม่งานจัดงานกับพระมหาสําเริญทั้งนอดนั้นก็ช่วยกันทุกองค์ก็วัดพระวัดพระวัดพระภาชัยก็เป็นวันๆนั้นว่าทราบข่าวจากพระธรรมปกรช่วยจัดงานที่วัดสามพยากัน ก็เป็นว่างานนี้ก็สิ้นสุด เขาเลือกมาว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่วัดสามพญาสั่งมาอร่อยมากแต่ก็ๆมารู้ทิศว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไป ก็สรุปแล้วรวมความบุญบารมีที่แถงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยข้างวัดสัมปยาคุณจะไม่มีโอกาสถ้าญาติโยมหรือจะขอร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยทราบถ้าทราบเขาอาตมาจะไปที่ซอยใสลมถ้า ถ้าหากว่าไม่ดีก็ไม่ขอใหม่ต่อไปถ้าดีจะขอทุกเที่ยวว่าไม่ดีก็ไม่ขอ 2532 อาตมา อเมริกาแล้วตอนฉะนั้นไปก็แบก กรองความว่ากลับมาก็เริ่มป่วยใหม่ป่วยเนี่ยการเครียดหนักใจเนี่ยการหายใจถี่ขึ้นรู้สึกเหนื่อยมากก็คิดว่าวันนี้อาจจะตายแล้วรวบรวมกําลังใจนึก อุปัฏฐิตวานิรุจฉันติเกิดครั้งอันดับไปเตสังโฆประสมุทรโคกายคบสรงกายนั้น <c oughs> ถ้าจับลมหายมีความเยือกเย็นก็ไม่อารมณ์รูปหนึ่งปรากฏขึ้นปรากฏพระนี้หรือก็กราบเรียนท่านบอกว่าจะตายวันนี้แล้วอาจ ทําไม่ถึงครึ่ง ท่านบอกว่าต้องทันเธอยังจะตายไม่ได้ก็บอกว่าถ้าร่างกายไม่ส่งตัวก็จะต้องตายถ้านี้ไม่จะมีการผ่าฝืนแต่พระท่านบอก <c oughs> แต่ร่างกายที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขไม่เห็นความดีของร่างกายที่มีเนื้อมีกระดูก พอคิดเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขมากก็มีเสียงปรากฏขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2522 32 ก็เกิดการป่วยหนักมาก หลังจากนั้นไปก็สลบที่หน้าประตูซุ้มในเป็นในซุ้มพอฟื้น แล้วก็ถามว่าเธอจะไปไหนก็ ยังไม่พ้นกฎรับสรณะสังถ้าบอกคนก็ต้องสุข แล้วก็เป็นจริงตามนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งเวลาใกล้ๆนั้นก็มีปรากฏประมาณ 1 แลนาทีเส็จ <c oughs> ว่าไปว่า